เราเดินให้มันสบายทำจังหวะก็ทำให้มันสบายทำเป็นจังหวะเพียงให้รู้สึกตัวสายตาต้องมองไกลๆแล้วความตึงเครียดแน่นหน้าอกหรือวินหัวมันจะค่อยคลายไปคลายไปครับดังนั้นจึงแนะนำให้บันนี้เมื่อเรา คลายไปแล้ว เ, เราก็ทําสบายขึ้นมาเมื่อขมสบายเกิดขึ้นยังไงต้องทําไปเดินเจ้าขมก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทําจังหวะก็ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องทําให้เพียงขมรู้สึกตัวเบาๆครับวันนี้ขมรู้เมื่อเราทําไปมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้ขึ้นมารู้จัก เรื่องรูปนามับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเมื่อรู้จักรูปนามดีแล้วคือรู้รูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาบรรู้บุญรู้เห็นเข้าใจ อย่างแจมแจ้งสัมผัสแน่แน่กับสิ่งเหล่านี้เลยครับอันนี้เป็นการรู้เบื้องต้นรู้มาอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความดีใจขึ้นมานเรียกว่าเป็นวิปัสสนาที่ตรงนี้ครับจำไว้ให้มันดีถ้าหากว่าไม่มีครูมีอาจารย์แนะนาเราเป็นเราก็ไม่รู้ แต่ในขณะที่เราเป็นนั่นเราไม่รู้ผมเป็นผมก็ไม่รู้จนเท่าผมเป็นมากแล้วก็เลยไปอาบน้ำตกเย็นมาที่ผมจึงมาลูผมคิดเมื่อรู้ผมคิดแล้วก็มาเดินให้มันสบายครับแต่ว่าต้องปล่อยไปอย่าไปกักมันไว้เรื่องผมรู้นะครับให้มันรู้กัอ น, น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 อย่าหยุดการทำคมรู้สึกแต่อย่าแห้งเมื่อคมคิดเป็นมากขึ้นมากขึ้นคมรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นเทียบเท่าทันกันเข้าคมคิดตจะจะลดน้อยไปบ น, นี้ตัวคมรู้ี่จะมากขึ้นมากขึ้นนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะรู้สมุฐานการคิด นี่จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้อีกพักหนึ่งครับจําให้มันดีตอนนี้เมื่อความคิดเราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงก็ได้หรือจะว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้มันจะรู้ปรมัดครับอันที่รู้เรื่องรูปนามนั้นยังไม่เป็นปรมัดมันเป็นเพียงรู้สมมุติแล้วก็ดีใจไม่ใช่ใจดีไอ้นั่นดีใจว่าเราได้ด ร, รู้ทำมะเห็นธรรมะ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 เลขโทสะโมหะโลภะเรานี่แหละอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็รู้เห็นเข้าใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นการจบภาคหนึ่งบางคนก็รู้ได้สองครั้งบางคนก็รู้ครั้งเดียวนครับรู้ครั้รงเดียวนั้นคือว่ารู้แล้วไม่หลงไม่ลืม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 จะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามรู้แล้วก็แสดงท่าทีออกมาเหมือนกันเป็นอย่างนั้นบันนี้มารู้ตอนนี้แหละมันจกเป็นปีติครับใจดีเย็นอกเย็นใจอันนี้เราไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นปีติไม่ต้องให้เป็นเย็นอกเย็นใจเป็นอย่างนั้นเราต้องทําให้มากอันนี้เป็นกินตะยานมันรู้ นิ่มๆรู้นั้นรู้นี้รู้แล้วสบายใจอันนี้เรียกว่ารู้เบื้องต้นเป็นปฐมฌานาจริงๆฌานที่เเข้าไปรู้อันนี้เป็นลักษณะของปัญญายานของพิปัสนานครับรู้อย่างที่ผมพูดวันี้เป็นอารมณ์เราไม่ต้องคล้องแวะอยู่กับปีติปีติ ตามตำราท่านว่ามันดีปีติควมอิ่มใจปีติควมยินดีปีติควมพอใจท่านว่าอย่างนั้นแต่อันนี้ปีติเท่ากับอุปสรรคเป็นการขัดขวางไม่ให้เราเดินทางต่อไปถึงที่สุดได้เติยังที่ว่าไม่ต้องข้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องพยายามทุ่มเทควมเพียรมากขึ้น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 ต้องเล้งขุมเพียนทุ่มเทข้าคุมเพียนเนี่ยไม่ต้องท่อถอยไม่ต้องอ่อนแอทำแต่ว่าให้นอนครับแต่ตอนนี้ี่ต้องให้นอนแต่บางคนไม่อยากนอนอยากเล้งขุมเพียนไม่ไม่ดีอย่างนะครับถึงเวลานอนต้องนอนถ้าหากเป็นกลางวันไม่นอนพยายามแก้ปัญหาถ้ามันง่วงนอนมา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 ก็ตามมัน ต, ต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องนอนนีครับถ้ามันเกินควรมันอยากนอนจริงๆเอานอนสักนิดเดียวเท่านั้นได้ครับแต่กลางคืนต้องนอนเต็มที่ในเกณฑ์สองทุม่มสามทุ่มก็ต้องนอนเลยครับนอนมากแล น, นอนได้เต็มที่เราตื่นขึ้นมาแบบก็ต้องมาทำควมเพียรทำอย่างนั้นเลยครับ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 แต่มันรู้จิตใจนิ่มๆเรียว่าใจดีอันเนี้ลักษณะใจดีแต่ไม่ไม่เป็นลักษณะดีใจอันนี้ให้เรารู้จักอนี้แล้วความหนักหกหนักใจนั่นจะเบาขึ้นมามีความสว่างภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สสว่างคือเราใต้เทียนอย่างนี้คันมันเบาใจเรียว่าเห็นเป็นทางไปครับ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 มันแสดงท่าทีครับมันอยากให้เราท้อถอยเราต้องไม่ท้อถอยเราต้องทาบังคับให้ทําอันนี้ต้องใช้เวลานา น, านครับบางคนนะบางคนก็ต้องได้เล็วแต่เมื่อสมัยผมปฏิบัติผมรู้ตอนแรงครับเนี่ยรู้ได้สองขั้นทีเดียวครับผม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 อย่างที่พลิกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาทําจังหวะให้เป็นจังหวะเดินจมกรมก็ให้เป็นเดินจมกรมจริงๆแล้วการรูปลู่น้ำนี่เรูปน้ํารูปทำนา้ำทำให้รู้จักรูปมันทำการทํางานอันนั้นเป็นรูปทำนามทำรูปโลกน้ำโลกรูปโลกน้ำโลกมีสองอย่างครับ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 ศึกแล้วกระ บ, บวตอันนี้ก็เป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัถะบัญญัติอริยะบัญญัติให้รู้จักว่าสมมุติจริงๆหรสมมุติก็มีปรามัตดด้วยตัวบทกฎหมายเป็นสมมุติให้ว่ารู้ให้ครบให้จบให้ทัว่วเรื่องสมมุตรจริจริงๆแต่เรื่องปรามาตรัตดทางเรื่องจิตใจกําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่นะั่นเรียกว่า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 ศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสนาคือจิ ต, ตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นคาว่าศาสนาพุทธศาสาานาเลยพุทธะจึงแปล ว, ว่าผู้รู้ทำเห็นธทำเข้าใจธรรมคือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละเป็นพุทธ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 ไม่รู้จักทิศทางอะไรทั้งหมดเลยครับเนี่ยบาปพูดอีกอย่างก็คือเรางโง่นั่นเองก็เป็นคนบาปเหมือนกันบุญแบบเนี่ยบุญก็คือรู้เห็นเข้าใจรู้เห็นเข้าใจเลยดีใจ น, นี่ครับอันนี้เป็นพักต้นอันนี้เ น, นี่ยตอนนี้มันจะเกิดดิปสนูขึ้นที่ตรงนี้ครับแต่คนที่เป็นไม่รู้กําลังเป็นจะรู้ทําไมไม่รู้ จะอาศัยครูบาอาจารย์คนที่มีความรู้จึงจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ครับวันนี้ตอนแก้ถ้าหากไม่มีใครแนะนำเราต้องทำจังหวะให้มันสบายเมื่อมีความตึงเครียดเราก็ต้องทำให้มันสบายอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง mm. อย่าไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันก็ค่อยคลายออกคลายออกให้มันมีความรู้สึกน้อ ย, อยเบา วันนี้มันคิดมาเราไม่อยากให้มันคิดมันต้องคิดให้มันคิดมันยิ่งคิดโกอดยิ่งรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นมันจะทันผมคิดอ้าวสมมติให้ฟังมันคิด้อยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวทีแรกวันนี้มันคิด้อยเรื่องเราจะรู้ถึงสิทธิ์มันก็ยังไม่รู้มันก้าสิ วันนี้มันคิดมาร้อยเรื่องเราจะรู้มันถึงยี่สิบมันก็เหลืออยู่แปดสิบสมมติเอาเป็นสิบเป็นสิบเข้าไปนะอันนี้ครับวันนี้มันรู้ถึงแปดสิบแล้วมันยังไม่รู้ยี่สิบเป็นตอนนี้ต้องทำความเพียรให้มากนะวันนี้มันรู้ถึงเก้าสิบเยังไม่รู้อย่างสิบเดียว ม, มันรู้ถึงเก้าสิบห้าเรื่องมันคิดขึ้นมา อันป๊ได้เก้าสิบห้าเรื่องยังไม่รู้ห้าเรื่องอันยังไม่รู้ทันคงมคิดนะครับสมมุติเนี่ยวันนี้เราต้องพยายามทุ่มเทุมเพียรวันนี้ทุ่มเทจริงๆทำโดยไม่ทอหอยไม่ย่อหย่อนแต่ห้ามมาให้นอนมันนีกลางวันไม่ต้องนอนเด็ดขาดได้ทอเดเย็นยิ่งดีครับกลางคืนต้องนอน จิตใจก็จะเปลี่ยนที่ตรงนี้เลยครับน้ําหนักร้อยกิโลเนี่ยผมยสลัดเบาขึ้นทันทีแปดสิบกิโลเลยครับรู้จักว่าตัวเองเป็นพระขึ้นมาทันทีมันจะรู้อย่างนั้วไม่มีอารมณ์อารมณ์มันก็ต้องเห็นวัตถุปรารมาตัตอาการเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงวัตถุกรหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของเรา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 บางคนจะเห็นรู้โทสากอนบางคนก็จะรู้เห็นโมหกอนบางคนก็จะรู้เห็นโลภากอนครับในเปนรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นอันนี้วันนี้รู้ครบจบท้วนแล้วอันนี้เราก็รู้เห็นเข้าใจสัมผัสแน่แน่เดยว น, นิยานของปัญญาปัญญาเข้าไปรู้ได้ครับอันนี้ ไม่ใช่เป็นปัญญาข่มทรงจำ น, นะครับเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกจึงเป็นพระได้เป็นปรมัตยอันนี้ครับอันนี้เป็นมักเป็นผลขึ้นมาทันทีอันนี้แล้วเกิดปีติปีติจึงเป็นอุปสรรคในปงนั้นที่ผมทบทวนมานี่ เป็นอารมณ์ให้รู้จริงๆแบบ น, นี้มันคิดเป็นหลักนะนะใจดีอันนี้ครับไม่ใช่ดีใจใจมันดีแล้วมันก็จยากมีความตึงเครียดบ้างนียว่ากินตายานอันปีตีนั้นเรียกว่าจินตญานครับมันเป็นปีตีมันดีใจจิตใจสบายเยือกเย็นไม่ต้องติด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 พอยตักเดือนว่ากล่าวอยู่ก็ไม่นานถ้าหากเราทำคมเพียนไม่เกินสามปีนะครับอันนี้รับรองได้ครับอย่างนานนะไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนี่นับตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปเรียกว่าเก้าสิบวันนี่จะรู้เห็นเข้าใจเป็นได้ทําให้ติดต่อกัน แต่โดยมากคนมันไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับมันทได้น้อยทำแล้วก็อ้อแอะอ้อแออย่างนั้นอย่างนี้อยู่ฮันแหลครับมันไม่ค่อยจริงมันจึงรู้จริงได้น้อยครับถ้าเป็นคนจริงไม่หลวมตัวคือไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอ ย, อยนั่นแหละเรียกว่าไม่หลวมตัวครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะรู้ไปเป็นขั้นเป็นตอนไป เป็นพักเป็นพักเรียกว่าเป็นปฐมฌานเป็นปัญญาเข้าไปรู้นะเป็นทูติยญาสารเป็นตาติยญาสารเป็นจตุทตาสารเป็นปัญจามาสารขึ้นไปเป็นอย่างนั้นตอนนี้เรียกว่าปีติเราก็ต้องทํำโคมเพียนครับให้มันรู้เบาๆแต่อย่าห้ามให้มันคิดอันนี้เป็นการแก้ ปัญหาแก้วิปัสนูแก้จินตยานอันนี้แก้ไปเหมือนกันปัณณ์รู้อันนี้แล้วก็จะรู้กิเลสตัณหาอุปทานกรรม้วเนี้เป็นอารมณ์ขึ้นไปรู้อันนี้แล้วก็จะมาเป็นพักเป็นพักไปครับก็จะรู้สินสินนี่ก็จะว่ากันอธิศินสิกขาอธิยิตกิตะสิกขาอธิปัญญาสิกขา ว่าจะนั่งกัได้แต่เมื่อผมรู้นั้นคือสินขันสมาธิขันปัญญาขันขันแปลว่าหมวดหมูม่กลุ่มกองกันว่าได้ขันคือขันห้านี่เองจะว่าหมดตาหมวดหูหมวดจมูกหมดลิ้นหมวดกายหมดใจจะว่าอย่างไงก็ได้เดีว่าสินขันสินอันนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะรู้ เข้าใจเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอารมณถ้ามันดีใจเกิดปีติอะไรต่างๆนั้นมันเป็นอุปสรรคมันมีกลมตึงเครียดวินหัวปวดหัวอย่อวินศีรษะปวดทิรษะนี่ครับมันมีกลมตึงเครียดอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอุปสรรค เราต้องทำทับซฟ้ า, าอันนี้ครับต้องทำไปไม่ท้อถอยถ้าหากว่ามันมีอุปสรรคมันไดเกิดขึ้นก็ต้องทำให้มันสบายสบายไปไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ต้องท้อถอยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาคืออย่าไปตึงที่จะไปเพ่งเมื่อรู้อันนี้แล้วก็จะรู้เกิดปัญญายาน เรีว่าปัญญาเข้าไปรู้เรียว่ายาณเข้าไปรู้จริงว่ารู้เป็นอารมณ์ขึ้นไปเมื่อรู้สิ้นครบจบท้วนแล้วรู้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานมันสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้อันนั้นเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเป็ว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงด้วยยานของปัญญาเรียกว่าปัญญาญาณ ยานจึงว่าแปลว่าเข้าไปรู้เป็นพาหานะสักนิดหนึ่งขนส่งนืว่าขนส่งนี่ว่าเป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้